ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายสิ่งทำจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอจุลปันธกสูตรในอุทานแต่ว่ามันมีประเด็นที่ไปเชื่อมโยงกันอยู่หลายประเด็นและแต่ละประเด็นเนี่ยได้สะท้อนถึงกฎของกรรมกับกฎกฎของสังสารวัฏที่ผูกพันสับปิชีวิตเอาไว้ แล้วก็ทําเห็นอย่างหนึ่งว่ากุศลกรรมแม้เพียงเล็กน้อยอกุศลกรรมแม้เพียงเล็กน้อยเมื่อมันเกิดเป็นกุศลลเจตนาหรืออกุศลลเจตนาทำพูดคิดลงไปมันก็จะก่อให้เกิดผลแก่บุคคลเหล่านั้นคือจะติดตามบุคคลนั้นไปในลักษณะของเงาติดตามบุคคลนั้นไปโดยจะนว่าตัวอย่างของจุดระบันทม การที่ท่านมองผ้าขาวที่เปื้อนเหนือของท่านเองแล้วก็ยกจิดขึ้นสู่ใตรักได้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาจนพระพุทธเจ้าเพิ่มเติมให้แล้วก็บรรลุมรรผลได้เนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากการที่ในสมัยดึกดำบันด้ท่านเคยใช้ เป็นกษัตริย์เรียบพนครเอาผ้าขาวซับพระพักตรละเหงื่อออกมันเกิดวูบขึ้นมาของวิปัสสนาเห็นแล้วก็ตกตะกอนอยู่ภายในจิตตรงนี้เราจึงพบตัวพุทธ ภ, ภาสิทธิ์รี่จะสรงแสดงถึงอานิสงส์ของเมตตาเจตวิมุตติคือจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสประเภทโทสะเป็นต้นด้วยเมตตา ที่บุคคลให้บังเกิดขึ้นแม้ชั่วลัดนี้มือเดียวที่โบราณเนี่ยท่านชอบใช้คำว่าช้างปกบปบหูงูแลบดินริยะสั้นๆเนี่ย ม, มันตกตะกอนเป็นบา ร, รมีอยู่ภายในจิตหรือถ้าเราเชื่อในกฎตรงนี้จะควบคุมตัวความคิดเรื่อบางอย่างมาต้องกตดัด คือเราคิดด้วยความเมตตากรุณามันก็ได้แต่เราคิดด้วยความโกรธไม่ได้อย่างเหตุการณ์ทางภาคใต้เนี่ยเราคิดด้วยความเมตตากรุณานีาไ่ได้เดี๋คิ ด, ดด้วยปัญญาหาทางออกนี่ได้เดี๋คิดด้วยความโกรธคนนั้นคนนี้คนโน้นมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะคนที่ผิดเขาก็ผิดไปแล้วคนที่ตายก็ตายไปแล้วแต่วว่าทั้งสองฝ่ายนั้นก็ โดยภาพรวมก็คือเป็นเพื่อนร่วมโลกกันหรือคนที่ฆ่าคนอื่นเป็นคนที่น่าสงสารกว่าคนที่ถูกฆ่านะพระโพนั้นตกนรกแน่นอนแต่คนที่ถูกฆ่านั้นก็ญาติพี่น้องอาจจะสูญเสียแต่ว่าถ้าเขาไม่ทำชั่วอะไรไว้เ็าก็บังเกิดในสุคติได้ เพราะถ้าเรามองให้ยาวเลยเราจะเห็นว่าคนผู้ฆ่าในน่าสงสารกว่าผู้ถูกฆ่าแต่ถ้ามองโดยพื้นฐานธรรมดาเนี่ยผู้ถูกฆ่าในน่าสงสารแล้วผู้ฆ่าเนี่ยน่ารังเกียจน่าเกลียดชังน่าฆ่าให้ตายตกไปตามกันมีนความคิดแบบแคบๆนะฮคือฆ่าให้ตายตกไปตามกันเนี่ยทํามันได้อะไรอะ่ะมันได้ค่า แล้วก็เพิ่มบ่าปภักดตัวเองลดจำนวนประชากรลงไปคือบนเกาะในดูอสรวนวิ่งวันเฉลิมนะฮะถ้าดูรายการวันเฉลิมอยู่ก็ดูอสอนวิ่งให้ตกใจนะเพราะประเทศจีนปีที่แล้วเนี่ยประหารชีวิตนักโทษถึงห0าพันก็ใช่ประชากรเขามากนะคิดเปอร์เซ็นต์มันก็อาจจะน้อยกว่าเรา แต่ถ้าเราดูตัวเลขเลยก็มากอะ่ะแต่มากของประชากรคือพันห้าร้อยล้านนะของเราปีนี้ปีที่แล้วเท่าไหร่คือวิธีคิดเหล่านี้หรือแต่คิดแบบพูดนี่คือคิดผิดแ ต, แต่คิดแบบศาสนาที่มีพระเจ้าอะไรก็คิดไปนะแต่ไม่ได้วาไรเมราะการระมัดระวังรัศจิตจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ นนี่มันมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะว่าเมื่อพระเจ้าเสด็จไปประทับโดยเสียสิยาตอยู่ภายใต้อยู่ที่ประคันตะ ก, กุฎีเนี่ยก็ไม่ได้หมายความมาหลับนะฮะเป็นการบรรพมแบบเสียสิยายตโดยประหลัดเบื้องขวาแล้วก็มีพระสติสมัยชัญญาในขณะเดียวกันพระที่ท่านทราบเหตุการณ์ทั้งหลายเนี่ย ท่านก็มาวิพากษ์วิจาริกันอวิพากษ์วิจารณอาพระอรหันต์เลยสีเนี่ยคือบางทีนักวิจารณ์เนี่ยก็ไม่ค่อยดูอะไรอ่ะไม่ดูหัวดูหางอะไรเลยฉันอยากจะวิจาร์ฉันก็วิจาร์ก็ฉันวิจาร์ด้วยโดยไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรคนที่ถูกวิจาร์กลายเป็นพระอรหันต์ ท่านบอกว่าท่านผู้มีอายุประมาปันถกไม่ทราบอัธยาศัยของพระพุทปันถกจึงไม่สามารถให้เรียนคาถาบทเดียวโดยสี่เดือนได้ไล่ออกจากวิหารได้เข้าใจว่าพระรูปนี้โง่แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ประทานพระอราหันต์กับทั้งไปสัมมิทานในระหว่างวันอาหารมื้อเดียวระหว่างมื้ออาหารเนี่ยรงเป็นพระธรรมราชาชั้นเยี่ยม หาพูดเสมอเหมือนไม่ได้พระไศยบดกก็มาพร้อมกับปฏิสัมพิทานั้นเชียวหน้าชมชื่อว่ากำลังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นมีหน้าอย่างที่บอกนะฮะว่าพระที่คุยเนี่ยมันเป็นการเล่าของพระพุทธศาสยาที่รีบเรียงอัตกถาธรรมบทเป็นเหตุการณ์ที่ย้อนก็ไปเล่าสถานการณ์เมื่อเก้าร้อยปีที่แล้วมา แล้วตรงเนี้ยวันก่อนที่ไปติดสัมมนาที่พอไปชุมเล็กของสำนักต้องสูตรมวัตธรรมแห่งชาติคือมาบอกถ้าเราจะพูดอาจจะทวงดินแดนคืนเนี่ยเตการในภาคใต้เนี่ยคือเรารู้ได้อย่างไงอะ่ะเพราะแต่ละคนเลยนั่งอยู่เนี่ยไม่มีใครเกิดทันทละคน แล้วถ้าเราดูประวัติศาสตร์เนี่ยคือมายังมองโดยทําไปนะว่ากษัตริย์ปาราเมตที่ไปเข้ารีดเป็นอิสลามชื่อมันก็บอกว่าเป็นสัตจกคิตก็นักถูธนะฮะเป็นพุทธมาม ก, กะแล้วก่อนหน้านั้นก็เป็นจิตเป็นฮินดูที่จริงก็คงเป็นพรามนะไม่ใช่ฮินดูหรอก แล้วก่อนนั้นนั้นก็เป็นศาสนาผีสางทุกีนะับถืออะไรกันก่อนนั้นนั้นมันก็เป็นเป็นทะเลอาจจะเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่เห็นที่อยู่คนป่าปลูกสีมังซาไกทั้งหลายเนี่ยปลกนิกิโต้ทั้งหลายเลยก็บอกว่าเรามไม่มีพินัยกรรมอะคนที่มาทวงบินแดนก็คุณไหนพินัยกรรม แต่ว่าสิทธิเวียดนี้สองร้อยกว่าปีนี่มันชัดเจนมากเลยว่าเป็นของของประเทศไทยไอ้ตัวนี้หลักฐานชัดมากตอนอนุธ ย, ยาอาจจะไม่ชัดอะไรนะก็คงไม่บันทึกเอาไว้แต่ตอนนี้มันชัดเจนว่าเป็นแผ่นดินของไทยนะสองอกว่าปีแล้วเราก็ไทยด้วยกันนะแต่มายังคิดเลยไปว่าที่จริงมันน่าจะเอาคนทางภาคใต้สามจังหวัดภาคใต้ที่เขาต้องถือสลามเนี่ยมาเจาะดีเออดูกันนะก็คนภาคใต้ได้แก่ไนนะ ก็มายัางนี้กว่าในสมัยที่เป็นเด็กเนะี่ยการนุ่งผ้าสโสรง่งแม้แต่ผ้าปาเต้เนี่ยผ้าปาเตมันรุ่งมันแพร่หลายขึ้นมาถึงกระงบนเนี่ยขึ้มาถึงชุมพรเนี่ยแล้วบางทีผู้ชายอย่างนุ่งผ้าปาเต้มีผ้าปาเต้มีผ้าถุงมีอะไรละ่ะผ้าขามาแล้วก็พกหัวอเขียนหัวก็แบบพอๆกันนะก็ยังมีกันอยู่เลเนี่ยนะ อนนี้ก็โดยแสดงให้เห็นว่าเอาคิดจริงเนี่ยที่เรามาพูดเนี่ยเราไม่รู้เราไม่รู้จริงสักคนนึนหรอกไม่ต้องอวดเก่งหรอกนักประวัติศาสต์นักโบ ร, ราณคาดีเดียวหมาพูดพูดโมโ ม, ม่กันอยู่เนี่ยไม่รู้จริงสักคนนึงหรอกใครมันเกิดทันนี่ยพูดเป็นตูวเป็นตาก็แค่กับตัวเองอยู่ตรงนั้นแล้วก็เอาเฉพาะที่ปัจจุบันเถอะ เราร่วมทุกร่วมสุขกันในปัจจุบันเป็นแผ่นดินเดียวกัน ร, รักษาามขีกันไทยน่นรักสงบถึงจะรบไม่ขาดนะคำว่าไทยเนี่ยหมายความว่าผู้เป็นอิสระแก่ตัวเองผู้ไม่ตกเป็นทาสของคนอื่นมันเป็นชื่อรวมเผ่พัน์อยู่แล้วไม่ต้องคิดเปลี่ยนหรอกถ้าเป็นสยาไมไน่ยิ่งยิบวงเลย สยามแปลว่าดํานะบางแห่งแปลว่าดําดังเจ้าแม่กานลีในเขตรยสสยามยามตัวนี้หมายถึงดานี่ก็ออกมาหน่อยหนึ่งคือว่าคือต้องการให้เห็นว่าตัวเนี้จะยิมมันคือกันเมื่อความเหตุการณ์ที่เรามาพูดมาอ้างอิง ก, กันเนี่ยมันมีใครรู้จริงแต่เกิดมากันตะโกนหนึ่งเป็นเรื่องของคนเขียนขึ้นแล้วเราก็มายึดมั่นถือมั่นเอาแล้วรไไเราก็ยึดไม่จริงไประเดี๋ยวก็ตาย ้คนอื่นก็นมายึดต่อมันก็สร้างมรดกบาปไปแก่ลูกหลานเะนี่ยมันต้องแก้ปัญหาแบบถอนรากถอนโคนคืออย่าให้เป็นมรดกบาปทุกคนคือไทยมีเชื้อสายยังไงก็ไม่รู้อยดูในแผ่นดินประเทศไทยทุกส่วนของประเทศไทยเนะี่ยก็คือไทยรูปป้ไประเนี้พอแล้วนะฮะจากนั้นเราก็จะรู้สึกเป็นเรากับเป็นพวกเรา ทรัพย์สินทั้งหลายก็เป็นของเรากับของพวกเราพวกเราเดือดร้อนก็เอื้อทอนกันเพราะภาพที่เครื่องบินเขาโรยเขาปล่อยนกลงไปแต่คนข้างล่างรับด้วยหน้าตายิย้มแย้มแจ่มใสเบิกบานขอบคุณเนี่ยเป็นภาพที่ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะจะทําเล่นไปหรือการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นในสังคมไทย เราลอกเรียนความคิดของเด็กหญิงที่ญี่ปุ่นสมัยโดนประมณูหญิงคนนั้นเขาก็ทำนกได้ผันตัวมั่งไายเป็นนกกระเรียนเราไม่รู้เรียกเรียกอะไรนะแต่ญี่ปุ่นเ็าเรียกนกกระเรียนตนกอะไรก็ช่างเถอะเป็นก็สื่อสันติในที่นี้ถ้าคนไม่รู้เนี่ยเราจะเห็นว่าพระมหาปันถกเนี่ย ท่านท่านไม่มีญาณอย่างรู้ตรงนั้นมันเป็นพุทธวิสัยแต่ท่านไม่ได้คิดหรอกว่าเป็นโง่เง่ า, งาเป็นการสอนเป็นอุบายของท่านที่จะกระตุกเอาบารมีธรรมของน้องชายขึ้นมาเนี่ยวิธีกำราบเป็นวิธีกำราบคือคือหยาบก่อนละเอียดเนะี่ยเป็นวิธีฝึกย่างหนึ่ง ยี่ดีฝึกนรชนอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าเมืม่อภิกษุทั้งหลายมานั่งคุยกันพระตถาคอาจารย์ข้อที่จริงก็คือพระพุทธโกาอาจารย์นะเพื่อตถาทตธรมบทมันมีแปดเล่มมีคาถาอยู่สี่ร้อยกว่าคาถาเป็นเอกสารเฉพาะตัวคาถานะฮะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบห้าในขุตกะมิกากน จุดการนิการกาทาบทเป็นเอกสารที่เผยแพร่มากที่สุดในโลกสำหรับหนังสือคำภี่พระพุทธศาสนาเพราะว่าอ่านสามสีบ่บรรทัดเองคนเข้าใจแล้วเห็นรู้จักพระพุทธศาสนาแล้วมีความชัดเจนนะวันคาถาเตวราคาถานี่ยึงย้อนกลับมามาให้ดูอะไรหลายอย่าง ที่น่าที่น่าอาศัศจรรย์ก็คือว่าผู้เรียบเรียงอัตฉรกยาตรงนี้คงมีอารมณ์ศีลมากๆนะมันมีแรงบันดาลใจมันศรัทธาภาษาถาอะไรทุนท่านก็ไม่รู้แต่ว่าท่านบรรยายภาพซึ่งจริงๆท่านไม่ได้เห็นนะคือท่านเขียนเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์เมื่อ9ก0ร้อยกว่าปีผ่านมาแล้วแต่เราเห็นว่านั่นคือภาษากวีที่มีแรงบันดาลใจ ท่านพันนาเหมือนกับท่านนั่งอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็มีแห่งเดียวนะอัตถาธรหมดทมีแห่งเดียวตรงนี้เทนั้นที่บรรยายพระพุทธลีลาของพระเจ้าสยดย้อยสวยงามมากท่านบอกว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเรื่องราวนี้ในโรงธรรมแล้วสจำนวนมาลีว่าความเป็นไปแห่งฝ้อยคําคือก็สนทนากันนะ พระเจ้าได้ยินด้วยทิปโสตคือหูจิหรือกำหนดพระไทยกำหนดพระไทยจะฟังบ่พระคุยเรื่องอะไรกันอันนี้จำมีเคยเล่า ว, ว่าถ้าท่านคุยกันเรื่องดีๆแล้วก็ไหลลื่นไปเนี่ยพระเจ้าไม่เสด็จหรอกเดี๋ยมันเกิดสะดุดหรือว่าออกนอกทางพระเจ้าจะเสด็จวันก็ส่งพิจารณาเห็นว่าวันเนี้ยเราไปควรอยู่ กะเสด็จลูกลูกอยากพุทธสยยาทรงนุ่งผ้าสองชั้นที่ยอมดีแล้วทรงรัดประคตเอวดุดเะ็ดสายฟ้าทรงม่มจีวรมหมาบางสกุลได้ขนาดสุคตประมาณผานผ้ารัตนกรรมพเสะ็จออกจากพระคันโดดีนมีกลิ่นหอมไปยังโรงธรรมด้วยความงามแห่งพระอากับภริยาที่ทรงย่างไปแล้ว ดุจพยาโคติสารตัวทรับมันและดุจสีหะเวญพระพุทธลีลานหาที่สุดไม่ได้สเสด็จขึ้นบรวรพุทธาฏที่บรรจงจัดไว้ในทํากลางแห่งโลงงกลมซึ่งประดับแล้วประทับนั่งที่กลางอาสนะทรงเป็นพระพุทธรังศีมีวันหน้าหกประการ บีบปานเท พ, พดาผู้วิเศษบันดาลท้องหมาสมุดให้กรบเพื่อมอยู่และพระสุโยไยัยพอแสงน อ, นอ่อนเหนือยอดเขายุคขันธ์ธรฉะนั้นภาพเรานี้สวยงามมากนะคืออย่างที่เคยบอกว่าพุทธยาเนี่ยเป็นธรรมะเสจรูปนะอย่างที่ เรปิคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนอิสรามันก่อนเขาพูดว่าพรนะพุทธเจ้าน่ะคือพระใจบิโดาโเคลื่อนที่พระเยซูนะ่ะคือคำพีเอ๋ยไบเบิลนะเคลื่อที่ท่านอะบดมัดก็คือคัมภีรอันกุริานที่เคลื่อนชี้ก็เป็นความคิดอิคุมนะคีับความคิดอิคมพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะล้วนๆนนะ่ะ จนว่านิกายบางนิกายชนมิกายมาสังกิกะเนี่ยถือว่าพระพุทธเจระนี่เป็นโลกุตระด้วยนะโดยเทราวาเนี่ยถือว่าพระพุทธเจระเป็นธาตุดินน้ำลมไฟอากาศาเป็นเป็นธาตุธรรมดาคุณเจ้าก็มีปวดมีเมื่อยมีเจ็บไข้ไม่สบายมีท้องผูกมีท้องเดินเหมือนกันเโดนคนดูทั่วไปนี่แหละแต่ว่าพระไทยแต่ น, นั้นเองที่เป็นโลกุตระโดยด้วยความเชื่อตรงนี้นะว่า พระเจ้ามีพระพุทธสิระเป็นโลกุตระนะั้นมีอยู่ในนิกายหมาสิงกิกะกับกิ่งนิกายซึ่งก็มีแปดเก้านิกายด้วยกันบางนิกายก็มีบางนิกายก็ไม่ได้พูดไว้นะแต่ว่าแนวตัวนี้มันจะมีอยู่สูงมากพระพุทธเจ้าก็สอนให้เรารู้ทําให้เราดูแล้วก็อยู่เราเห็นเป็นพุทธลีลาเป็นเยื่อกรายที่สง่าออทําให้คนคล้ายๆกับสยบคน เจ้าเสด็จที่ทุกคนนิ่ง ม, มีนัก บ, บวชหลายลทัทธิมีกายก็เาเคยนั่งประชุมกันที่อาสมกับพวกเขานะ่ยเขามาคุยก็ค่อนข้างวิจารณ์นิดหน่อยนะบอกว่าคณาจารย์เจ้าลทัทธิที่มีเวูเนนี้ทั้งหมดมันก็เจตทางพระพุทธศาสนาอยูท่านปุโรหกัสปะมคคิริโคสารลั่นชัยเวรัตบุตรปุกุทธะกัจจายนะอาทิตย์เกศกรรมพลนิครานัตบุตรที่ทั้งหมดเนี่ย ใครที่ลูกศิษย์เคารพนับถือจนจะรบกระลูกมีเสนอเพื่อนค้านเสนอเพื่อนค้านเสนอเพื่อนค้านาศาสดาทั้งหกท่านเนี่ยมีจุดอ่อนอย่งนั้นนีก็มีคนเสนอพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับนั่งเนี่ยภาพระพุทธเจ้าไม่พูดเนีย่ยคนอื่นไม่กล้าพูดเสียงกระแอมเสียงไอการลุกขึ้นเลิกพูดเลยไม่มีใครกล้าลุกน มันเคารพเคารพเข้าถึงจิตบิญญาณที่เราดูมหาชนิบาตเมื่อวันที่ห้าท่านวาคนเฒ่าคนแก่แรับสั่งทั้งหมดก็ก็อัดเทปไว้นะสองหน้าก็รู้สึกว่า9ีเก้าิบน่อหมดพอดีก็แดสดงว่าชั่วโมงครึ่งทังหมดสถานการณ์เดี๋ยวตอนท่านนายกกราบองค์ุณทูนหยุดช่วงหนึ่งสั้นๆช่วงหลัง อ, อาจไม่ทัน แล้วถ้าเรานน้นนั่งด้วยความพรุความพักดีด้วยความศรัทธาเพาันพลังตัวนี้ท่านจึงอธิบายไว้ในตักราธรรมบทที่พระรกระพุทธเจา้าบอกว่าและเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึงภิกษุสงฆ์หยุ ด, ดสนทนานิ่งเงียบสำโดนมาลีท่านใช้คำว่ากระถางปัดฉินดิตวาตัดขาดซึ่งพ้อยคำเงียบ ไอ้งเงียบอย่างเนี้ยที่ตอนที่พระเจ้าชาติตรูเข้าไปเฝ้าเนี่ยพระล้อมอยู่ห้าร้อยองค์ไม่ได้ยินเสียงเลยเอดชาติตูท่านตื่นเต้นแล้วก็ตกใจกลัวนึกว่าหมอชีวกหลอกท่านมาฆ่านะเพราะไม่ได้ยินใครเลยแล้วเนี่ยที่ท่านท่านสุปิยะปริภาชกกับรภ ม, มนตตะมโนบคนหนึ่งก็วิทยาพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระที่ตามเสด็จเปเรียบร้อยมา ในขณะที่ลูกศิษย์ตัวเองคุมกันไม่อยู่เลยก็ท่านอธิบายภาพของที่ประชุมนะหมายความมาที่ประชุมในอุดมคติอุดมคติของพุทธต้องมีลักษณะอย่างนั้นคออือยังยังนึกคือในที่บางแห่งเราอึดอัดยังยกสมมติว่าสมมติว่าเป็นที่ที่สังกักรรมทั้งหลายเช่นการบวช การรับกระชินการทำปฏิโมโกอะไรอะไรนีคือพระต้องนั่งให้พร้อมหมดโดยเฉพาะากันรบรระชาอุปสมบทเนี่ยที่จริงพระต้องนั่งเต็มอัตราที่แถวบ้านเขานี่ม่นไว้เจ็ดสิบห้ารูปหรือสิบรูปก็ตามนะ่ยจะต้องนั่งให้เรียบร้อยเลยตลอดพิธีกรรมอุปสมบทเนี่ยัยพระมขยื่นไปไหนมาไหนไม่ได้โยิเยกไม่ได้ อาจจะพลิกอะไรก็ได้นะฮะจะไปสุบุรไปอะไรไม่ได้แต่วิธีการเพราะนันตรงนี้ท่านสะท้อนถึงภาพภาพุทธบริษัทในเชิงที่เป็นอุดมคติแต่เราเห็นว่าสังคมตัวนี้มีอยู่ถ้าหากว่าคุณภาพของสมาชิกในสังคมเนี่ยมันได้มาตฐานแสดงว่าตรงนี้เข้ามาตรฐานนะ ท่านพันนาว่าพระศาสดาทรงพิจารณาบริษัทด้วยพระหริภัยอันอ่อนโยนทรงรำพึงว่าบริษัทนี ง, งามยิ่งนักการขนองมือก็ดีขนองเท้าก็าดีเสียงไอก็ดีเสียงจามก็ดีแม้ของภิกษุรูปหนึ่งย่อมไม่มีพิสูรเหล่านี้แม้ทั้งหมดมีความเคารพด้วยพุทธคารวะคารวะอันเดชแห่งพระพุทธเจ้าคุกคามแล้ว เมื่อเรานั่งเฉยเสียไม่พูดแม้ตลอดชั่วอายุก็ ร, รูปไหนๆจะหาเรื่องหายกหากหายกเรื่องขึ้นพูดก่อนไม่หมายความท้าพรเจ้าไม่เริ่มเนี่ยจะไม่มีใครกล้าเริ่มไม่มีใครกล้าพูดในสมาคมตรงนั้นเวลาเนี้ยมันทุ่ทีเราก็อึ่ห อุดอัดคือโดยทำเนียมจริงๆนะพระเราเราถือเป็นสมมุติเอาไปสวดมนต์ชันเพนสวดมนต์ันเช้าที่ไหนเนีย่ยคือเป็นเรื่องของหัวหน้าประธานสงฆ์ที่ท่านจะคุยเราไม่คุยอ่ะและ้วที่พอดีมันก็เป็นที่รู้จักของคนเราไปในที่บางแห่งเราอาจจะอยู่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดอะไรจะอะไรแล้วคนก็เข้าไปข้างตอนปลายแถวก็ไปคุยด้วย เราไม่คุยก็ไม่ได้คุยก็รู้สึกเกรงใจท่านรู้สึกเกรงใจผู้ใหญ่่มันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะคุยตรงนั้นอันนี้คือคือแบบแบบของการประชุมที่ดีคือมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แต่ท่านมอบหมายท่านสั่งให้เราจะเห็นว่าอย่างสมมติว่าพระประชุมกันแล้วก็ ท่านชเราเทศเนี่ยเราต้องขอโอกาสท่านนี่สวปดปฏิโมกก็ต้องขอโอกาสนี่คือจารีตก็นำมาเล่าให้โยมฟังเดี๋ยววาจารีตเนี่ยมันออกมาออกมาแบบนี้แต่วันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเปลี่ยนแปลงไปจนถึงนึกว่าเอเราจะย้อนกลับเข้าหาหลักการได้หรือไม่วันก่อนนี่สอบนักธรรมที่วัดเนี่ย ก็เขาขออนตมาเป็นคนเปิดเป็นประธานในการเปิดสอบเราประธานในการเปิดสอบนะฮะแต่เราเดินเราต้องคอยหลบพระนักเรียนะคือขนาดเราเข้าไปเพื่อจะเปิดสอบเราต้องคอยหลบนักเรียนนักเรียนก็เห็นอยู่แล้วแล้วก็รู้จักแล้วนะว่าเป็นใครแล้วเวลา เ, เราเดินเราต้องคอยหลบกันแม้แต่นิดน้อ ย, อ ย, อยเราไปในงานศพ ก็เจอเนรแซงผู้ใหญ่ขึ้นไปเผาศพพรเล็กเนี่ยนอนนี่แซงขึ้ไนไปมันเปลี่ยนหมดแล้วเลยเนี่ยแม้แต่ชาวบ้านเองนะฮะชาวบ้านเอ ง, เ, องเราจะเห็นว่าผู้ใหญ่จะขึ้นได้ระยะสั้นๆยังไม่หมดหรอกโดนแซงแล้วการจัดระเบียบตอนนี้รู้สึกว่าที่วัดชมประธาเนี่ยหลวงพอ่อมันก็จริงทต่มายืนคุมเคยสังเกตเห็นว่าเออเขาขีเหมือนกัน ทีนี้ตรงเนี้พระพุทธเจ้ารับสั่งพระพุทธเจ้าก็พิจารณาดูนะว่าเมื่อเรานั่งเฉยเสียไม่พูดแม้ตลอดชั่วอายุก็รูปไหนๆจากหายกเรื่องขึ้นพูดก่อนไม่ชื่อธรรมเนียมของการยกเรื่องขึ้นเราควรรู้เราเองจากพูดขึ้นก่อนตอนนี้แล้วก็จัดเรียกพิสูุน์ทางหลายด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะดูเสียงพรม พุทเจ้าเขาเรียกว่าพรมาสโรคือมีพระสุรเสียงหลือเสียงผมยงองประกอบของเสียงที่สะอาสลวยไพเราะแล้วท่านแสดงไว้ถึง88อย่างด้วยกันแล้วก็จัดถามว่าพิสูจนทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันโดยเรื่องอะไรเล่าแล้วก็เรื่องอะไรที่พวกเธอหยุดค้างไว้ในระหว่าง มุขภิกษุพวกนั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องนี้ถึงสาบว่าภิกษุทั้งหลายยุรปันฑกนั้นหาได้เป็นผู้โง่แต่ในบัดนี้เท่านั้นไม่แม้ในการก่อนก็เป็นผู้โง่แล้วเหมือนกันอันหนึงเราที่เป็นที่พผนักของเธอเฉพาะในบัดนี้อย่างเดียวก็หาไม่ถึงในชาติก่อนก็ได้เป็นที่พผนักอาศัยแล้วเหมือนกัน แต่ในการก่อนเราทำให้จุลปันถุกได้เป็นเจ้าของแห่งโลกิยศัพย์แล้วบัดนี้ได้ทําให้เป็นเจ้าของโลกุตระศัพ์เป็นวิธีการอ่งหนึ่งที่พระเจ้าจะรับสั่งในญาติตรงนี้ยวรนั้นพระจะขอจะขอทราบอย่างพวกซาดกร้อยห้าสิบเรื่องเนี่ยข้อความจะดําเนินมาถึงอย่างเนี้ยในเรื่องเหล่านี้เคยมีมาแล้วอย่างเงี้นอย่างเง้ยอย่างเงี้ยพระองค์ก็เคยทําอย่างเง้ยอย่างเงี้นมาแล้ว แล้วก็พอพระท่านสนใจอยากเล่าฟังพระเจ้าก็จ ะ, สะแสดงชาดกอันนี้ก็จริงๆก็มีลักษณะเป็นชาดกนะลักษณะเป็นชาดกที่นามาเล่านำมาสแสดงซึ่งในเรื่องแรกที่เคยเล่าให้ฟังนะว่าไปเรียนอยู่ที่เมืองตา ก, กศิลาไม่สามารถจำอะไรได้เลยถึงคราวจะกลับบ้านแล้วเนี่ยปรากฏเราลกจิ์ไม่ได้อะไรขึ้นเลย แต่ปฏิบัติดีคือคือการศึกษาแนวตะกศิลานี่แล้มีอยู่สองแนวแนวหนึ่งเนี่ยคือทำตัวเหมือนคนในครอบครัวไม่ต้องจ่ายสตังค์แต่เหมือนกับลูกหลานก็เรียนไปเรื่อยบีบๆน ด, น ด, นดอาจารย์รับใช้อาจารย์อาจารย์ก็คุยกันไปสั่งสอนกันไปแบบซึมซับกันไปที่วัดวนก็มีจารีบแนวนี้อยู่เวลานี้มันก็หายไปเพราะว่าก็เรียกว่า นักเรียนครูจะส่งพระมาะอบรมเป็นนักเรียนครูไปพักอยูุีิวัดโบนชั่วคราวก็อสองปีแล้วถามว่ามีการอบรมอะไรเป็นกิจลักษณะหรือลักษณะหรือไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่อบรมเลยนะพระองค์นั้นจะต้องติดตามศึกษาเข้าปฏิบัติเลยเข้าภาคปฏิบัติเลยเขาร่วมกิจกรรมทุกอย่างที่วัดเขามีแล้วก็สืบซับกันไปแั้นเราก็ชื่นชมในบุคลากรากอของเรา พระเเพเราเานี่ยบางทีเราก็ส่งออกไปต่างจังหวัดบางทีในเจ้าพวดนะจากพระลูกวัดเนะี่ยไปเป็นเจ้าคณะหรือเป็นเจ้าวาดแต่เป็นเจ้าคณะเดีด๋ยวนี้เป็นเจ้าคณะจังหวัดอยู่หลายองค์ก็ในวัดไม่ได้สอนเป็นกิจลักษณะแต่ให้ทํางานให้ทํางานใ ห, นให้ให้กิจกรรมต่างๆไปทํทาภาคปฏิบัติแล้วก็ส่งไปเนี่ยไม่เคยผิดหวังนะไม่เคยพลาดเลย ส่งออกไปถ้าหากระทังวัดส่งออกไปแล้วก็ก็ได้งานนะได้งานได้การนี่ก็เป็นวิธีแสดงว่าท่านก็ติดวิธีของทิสาประโมกมาแล้วก็พอทุงจุดหนึ่งก็อาจารย์ก็คิดว่าสิทธิคนนี้มีอุปการะแก่เรามากเราจะให้เขาศึกษาให้ได้ก็ไม่สามารถศึกษาอะไรอะไรได้ โยนในสุดก็บอกให้ท่องคาถาอย่างที่ว่าเนี่ยก็เตสิกาเตสิกินกรณาก็เตสิหังติตังชานามิชานามิก็บอกว่าเพียนไปเถิดเพียนไปเถิด เ, เ, เพราะอเหตุใดท่านจึงเพียนเรารู้เหตุนั้นอยู่นะถือแต่เราแปลแล้วก็แปลว่าทำนะฮะแปลว่าทำเนี่ยมันจะง่ายทำอะไรทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ เรารู้นะว่าเธอกำลังทําอะไรเรารู้อยู่นะว่าเธอกำลังทำอะไรและในพระชาติเนี้ยทำให้ท่านได้ถึงเป็นตําแหน่งเป็นอาจารย์ของกษัตริย์นะอาจารย์ของของของกษัตริย์ในเมืองของท่านจนอะไรและเป็นตําแหน่งระดับเสนาบดีเพราะว่า คนนี้ก็วางแผนที่จะฆ่ากษัตริย์เพื่อแย่งชิงราชสมบัติแต่ว่าพระราชาเนี่ยท่านท่านจะ ไ, ไปเรียนเรื่องนี้มาเล่าวาเล่าฟังกันก่อนนะก็ไม่ต้องเล่าอีกเพราะท่านท่องคาถานเนี่ยมนษ์ก็สั่งอ่ะสั่งลูกศิษย์พระราชาเนี่ยสั่งว่าก็ต้องท่องไปเรื่อยๆอยู่ตรงไหนก็ท่องไปเรื่อยทีนี้พวกที่วางแผนกันเนี่ย ก็เป็นคนใกล้เคียงกับ ร, ราชาทั้งนั้นมีนายผู้สามาลานะซึ่งทาหน้าที่เป็นช่างกระบบกด้วยก็พวกนี้หมายความเสนาบดีเนี่ยให้เสนาบดีเนี่ยให้ทรัพย์พันหนึ่งแล้วก็บอกว่าให้ทําทีคล้ายๆกับปรุงพระเกศาพระมัสสุให้แก่ราชาแล้วก็ท่าจังหวะเนี่ยเฉือน เป็นลูกกระเดือกให้ตายแล้วก็เมื่อท่านเป็นใหญ่แล้วทา่านจะแต่งตั้งอะไรอะไรให้ก็ว่ากันราชาก็ท่องคาถาขึ้นมาในขณะที่ห น, นาญ ย, ย, ย, ยิ่งนี้กำลังสะบัดมิโกนีอันนี้ก็ตกใจราชาก็สวมรอยเลยสวมรอยก็คมขู่จนได้เรื่องนะฮะออกมาว่าเป็นเสนาบดีวางแผน ที่จะแย่งราชสมบัติของพระองค์โดยให้ค่าพระองค์ในสุดท่านก็ขับไล่คนเหล่านี้ออกไปทั้งหมดเรื่องเหาเนี้ทำให้นึกถึงในเมือ ง, งไทยนะ่ยเมืองไทยเราเนี่ยมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งก็เรียนอย่างเงี้ยบวชไปแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยอาจารย์ก็เลยเอาไปสอนเอาคุณท่องอะไรค้องอะไรกัน แล้วก็คิดมัเรื่อยๆจากคำตรงนี้ไม่แน่คำเดียวไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่คือสองคำนะฮะไม่แน่ไม่แน่อยู่ก่าสองพยางยังง่ายเนี่ยท่องให้ได้สองคำไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เห็นอะไรปั๊บองมองในแง่ไม่แน่แล้วหาทางอธิบายให้ได้ว่าทำไมถึงไม่แน่ในนี้ก็ท่องตลอดเวลานึกขึ้นมาก็ไม่แน่เลย พูดอะไรแกก็ต้องไม่แน่ไปก่อนแล้วแกหาทางหาทางอธิบายหมายความว่าฝึกใหคิดฝึกให้คิดเมื่อเราบอกข้อไม่แน่เนี่ยทําไมถึงไม่แน่เราต้องอธิบายได้แล้วก็เรื่องไปเยอะนะฮะในเรื่องแต่ว่ายกอย่างให้ฟัง ว, ว่าคราวหนึ่งนี่เขานั่งเรือไปกับพ่อตาตอนนั้นแต่งงานแล้วก็เห็นเป็ดมันว่ายน้ํา พ่อพ่อเป็ดเนี่ยทำไมมันว่ายน้ำได้พ่อก็บอกว่ามันมีขนแกบอกมันไม่แน่พ่อนะเพราะว่าไอไม้มันไม่มีขนอ่ะมันก็ลอยได้เพราตาเลยก็งงก็ไปเจอช่องที่มันสัตว์เข้าวอ่ะด้วยข้าวเลยออกก็รูสัตว์ งูหรือว่าปูเปี้ยวอะไรก็ไม่ด้วยนะฮะเก็มองเอพ่อไฮ้ช่องเนี้ยรูเนี้ยทำไมมันลื่นพ่อก็บอกว่าสัตว์มันขานข้าวขานออกก็บอกไม่แน่พ่อคือบางทีหัวคนเนี่ยไม่มีอะไรไปไปขานข้าวขานออกหรือมันล้านได้มันลื่นได้อันนี้ไปเล่นหัวล้านพ่อตาเลยพ่อตาชักเยอะใหญ่ ก็ไปไปอีกไปเจอพ่อพ่อเอ๊ะห่านเนี่ยทำไมมันร้องเสียงดังตา บ, บอกมันเพคอมันยาวลูกเคยบอกเอไม่แน่พ่อเพราะอึงอ่างมันไม่มีคอมนันทำไมมันร้องดังได้มันก็มาอย่างนี้อยู่เรื่อยนะฮะคือเจออะไรเนะี่ยแกต้องไม่แน่อยู่เลยแล้วอดีก็เจอนกบินให้พ่อพ่อไอ้นกมันทำไมมันบินได้ พวกมันมีจีกแล้วก็บอกไม่แน่นะพอ่พอเพราะไอ้นกกระจอกเทศมันมีจีกแต่มันเห็นมันบินไม่ได้คือแกก็หาทางอธิบายได้เรื่อยๆเนะี่ยเราจะเห็นว่าคนโง่ที่จำคาถามาไอ้จําำดำคาถามันสองคำคือไม่แน่ไม่แน่คือไม่เที่ยงนะนี่ไตลักษนะเนี่ยที่สอนไตรักษณ์เลยไม่มองโลกในในแง่คนไตลักษณ์นนในแง่ของไม่เที่ยงก็ อ, อยู่กันมานานเนะี่ย มาถึงคราวหนึ่งก็ไถนาแล้วก็หวานข้าวแล้วก็พลาดก็ปากดำจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยข้าวก็เจริญเติบโตขึ้นมาก็ฝนมันก็ตกพระต่อพระตาก็บอกว่าไอทิศทีนี้เราคงมีข้าวกินดีนะเพราะว่าผลความก็ดีจร ต, ต้องตามประดุกัน บุเขยก็บอกไม่แน่หรอกพ่อมันยังอีกตั้งนานอะไรจะเกิดขึ้นมาข้างหน้าเรายังไม่รู้เลยอะไรแกก็ไม่แน่เลยข้าวตั้งท้องแกบอกยังไม่แน่แพ่อยังไม่ออกรวงเลยออกรวงแกบอกไม่แน่หรอกพ่อมันยังไม่สุกเลยเพรนันพ่อตาเลยหยุดพูดเลยรอจนถึงเก็บเกี่ยวรอจนถึงวันเก็บเกี่ยวแล้วก็ พอเข้าใหม่เนี่ยขุงแล้วก็กินทีนี้มึงก็กรงนะงนากะนางในโรงนาก็ขุงกนางยองยองก็ไม่เคยเรียบร้อยอะไรอนะโรงนาก็พ่อตาก็เลยรื้อความหลังึ้นนะบอกเป็นไงอาทิตย์ข้าบอกแล้วว่าปีนี้เราจะมีข้าวดีแต่แกก็บอกไม่แน่อยู่เตอนนั้นก็ตักข้าวแล้วนะใส่จานแล้วยังไม่ได้กิน ลูกเขยบอกไม่แน่หรอกพะไม่ได้กินเลยเพราะตาเนี่ยเก็บความแค้นมานานแล้วก็ถีบเลยตกบันไดลงไปไอ้ลูกเขยเนี่ยมันมันเข้าถึงสภาวะความไม่เที่ยงแค้แน่นอนแต่ที่มันจะโกรธอะ่ะเพราะในการการถูกพ่อตาฉีบเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะไม่ถีบก็ได้อาจจะถีบก็ได้เพราะงั้นแกทำใจได้ทั้งของอย่าง พอแกลงไปข้างล่างแกตะโกนบอกมาจากข้างล่างเป็นไงพ่อผมว่าแล้วอ่ะเข้าจะเข้าปากแต่ยังไม่ได้กินเลยพ่อตาเลยยอมอันนี้คือกระใจนั้นไอ้ข้อความสั้นๆอย่างเงี้ยถ้าเราคือวิธีโบราณเนี่ยบางทีท่านก็เก่งนะท่า น, น, นก็เอาอะไรมาอัเนี้พระเจ้าฮาลิสูรานังเลยสรนงัรนงเนี่ยมันเป็นการจุดประกายความคิดขึ้น หรือว่าคะเตสิกะเตสิกิกนาคะเตสิอังบิตังชาณามิชาณามิเนี่ยมันก็ช่วยให้ท่านท่านได้คิดแล้วก็ตัวนี้ความเชื่อจะสูงนะเพราะว่าเราก็ดูในคาถาก็ไม่ค่อยมีเนื้อหาสาระอะไรแต่อย่าลืมว่าด้วยพลังศรัทธาแล้วก็รู้สึกเชื่อมั่นอบอุ่นปลอดภัย ที่พระเจ้าส่งอกุ้มท่านเนี่ยเก็สร้างบา ร, รมีบา ร, รมีในฐานะอกุ้มมาด้วยนะทีนี้ก็มาถึงก็ประเด็นที่ว่าโลกีรั์เนี่ยก็ให้สองชาตินะในสองชาติคือชาติหนึ่งเนี่ยยุลบันธกุก็โง่เหมือนกันในการนั้นท่านก็เป็นที่พูดเหมือนกันก็เล่าเรื่องชาดกก็เรียกว่ายุลาเซธะ เศรษฐีชาดกคือ ต, ตอนนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นเศรษฐีพระโพธิสัตว์เป็นเศรษฐีแล้วก็จุลปันธุนี็เกิดเป็นผู้รับใช้ติดตามท่านเศรษฐีไปก็ไปถึงในที่หนึ่งท่านเศรษฐีก็ไปไปเห็นซากหนูหนูตายใหม่ ก็บอกว่าใครเอาหนูนี้ไปหาประโยชน์เอาหนูนี้ไปขายเนี่ยก็จะสามารถตั้งตัวได้ถ้าฉลาดมันก็จะตั้งตัวได้ไอ้คนช้ายมันก็เชื่อนมะันเอาหนูไปแลกกับเจ้าของแมวอนะเริ่มเริ่มต้นคล้ายๆกับเรื่องมักระโทแต่ยังนึกกว่ามักกะโทเนี่คงเรียนคงอ่านเรื่องสาดกนะเพราะสาดกมันเผยแพร่ยิ่ทางภาคเหนือเยอะ แล้วก็พัฒนาขึ้นไปจนระยะเวลาไม่กี่เดือนน่ท่านได้เงินทั้งสองแสนแดีวหลายขั้นตอนนะแต่ว่าต้นทุนเนี่ยมันจากหนูตายตัวเดียวแล้วก็เอาไปให้เศรษฐีเศรษฐีก็ทึ่งมากวันนี้มเก่งฉลาดสามารถเลยก็มอบเงินให้แล้วก็แถมลูกสาวให้ด้วยเต่การแต่งงานให้ต่อมาก็เป็นเศรษฐีนะฮะต่อมาก็เป็นเศรษฐี อั น, นี่คืออะไรอ่ะเขาเรียกว่าคนลมมีควานแล้ความกําังเริบสื่อารยังไงเจอคนนี้เสร็จเลยคล้ายๆกับพญามิลินเ น, นี่ทยที่ว่าเนี่ยพญามิลินกับพนาเกษตรเนี่ยมันเคยเป็นสิทธิ์อาจารย์กันมาแล้วก็สร้างบารมีเพื่อคมกันอยู่ในที่พญามิลินองอาจกล้าหารมาก แล้วพอเจอพระนาคเสณซึ่งเป็นเด็กหนุ่มพระหนุ่มอายุเราวยี่สิบห้าเระมสั้นนะเนื้อแตกเลตกใจพระนาคเสณก็นั่งอยู่ข้างหน้าพระพระใหญ่ใหญ่ก็นั่งอยู่ข้างหลังพระนาคเสณก็นั่งอยู่ข้านาั้นยำลีนหินตกใจเงือแตกเพราะฉะันในเรื่องของดุลกันเตวาสิในครั้งนั้นเนี่ย ได้มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีขึ้นมาโดยต้นทุนเพียงหนูตัวเดียวเนี่ยก็อาศัยการช่อเหลือของพระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์เพราะงั้นตรงนี้รับสั่งแสดงว่าผู้มีปรีชาเห็นประจักษ์ย่อมตั้งตนด้วยทุนทรัพย์แม่น้อยเหมือนคนกอไฟกองน้อยให้ลุกเป็นกองใหญ่ได้ฉะนั้นมรับบรรยที่ สติปัญญาความเฉลียฉลาดความสามารถแล้วคนเหล่านี้ก็ตั้งตัวเองได้นะมีมหาป ร, ริญญาของเราเป็นนันมากนะยกตัวอย่างเช่นหมอชิดเนี่ยก็เป็นนักบวชเก่าหรือแม้แต่คุณอุดมนยอุดมวิทยาเนี่ยอะไรคือพินิเนนนีเนี่ยพินิจโอลิมเปียเนี่ยมันก็เป็นมหาเก่าก็ก็มีความฉลาด ก็สามารถตั้งตัวเป็นเศรษฐีได้หรือแม้แต่สอทําบักดีอะไรต่อใดพวกมหาเข่าวนี่ออกไปเป็นเศรษฐีเว้นี้ก็มีนะนี่ก็มีเป็นนักธุรกิจชั้นสําคัญเลยแต่ไม่น่าเชื่อหรอกเป็นเด็กบ้านนอกบวชเนรบวชพระได้เป็นมหาปริญญาศึกออกไปไปทํางานประกอบอาชีพก้าวเจริญก้าวหน้าไปเยอะเปลี่ยนแปลงสถานะตัวเองมันก็อยู่ที่ปัญญาเห็นกระจักเขาเรียกว่าเป็นคนที่มี เาสนามีบารมีสามารถจะดําเนินไปได้เพราะงั้นเรื่องนี้เราก็จะเห็นได้ว่าในสังสารวัฏยาวนานเนี่ยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกนันมันอยู่ที่มนุษย์เนี่ยเขาเรียกบุเพสันิวาสคืออยู่ร่วมกันมาหรือว่าเป็นปุเพกะตะปิญญตาคือมีบุญที่กระทําร่วมกันมาแต่บางก่อน มันมันเป็นเป็นพวงดอกไม้ที่เกิดขึ้นสมหรับคนนั้นเพราะน้คนเรา บ, บางทีมันหาตัวเองไม่เจอคือ ถ, ถ้าเราหาเจอแล้วเราก็จะรู้ว่าทางออกอยังมีหลวงที่ก็นานนะฮะกว่าจะหาตัวเองเจอพางทีก็หาไม่เจอเลยพนันเรื่องของพระจุลปันโถแลวก็เป็นบทสรุปอย่างหนึ่งที่ เดชะทอได้เห็นถึงบุญบาปนะพูดถึงพลังของกิเลสกับพลังของธรรมะที่เข้ากำกับชีวิตของคนคนหนึ่งให้เดินไปบนทิศทางที่เขากำหนดเราจะเห็นลักษณะเป็นคลื่นในชีวิตของท่าน เ, นเป็นคลื่น mm hmm. ก็มังชาติเกิดเป็นประชาไร มังชาติก็เกิดเป็นคนโง่มังชาติเกิดเป็นคนลูกชายแอบผลชายเขามังชาติก็ตนกนโรคหายไปเลยมังชาติเกิดเกิดเป็นเทพประบุคือเป็นการสอนให้เห็นว่าสังสารวัตรในชีวิตชีตเรามันผูกเชื่อมโยงกับกรรมกับสังสารวัตรแล้วก็ทําให้เราสามารถวิชิดชีวิตตัวเองได้อะไร จะไปทางไหนจะทางสื่อเมือทางเจริญเนี่ยเลือกเองเพรา ะ, ะนั้นชีวิตเราถ้าเราเรียกว่าศาสนาพุดถจะเรียกก็เรียกว่ากรรมลิขิตแต่จะพูดในลิขิตเนี่ยก็เรียกว่าถือว่ากรรมลิขิตคือการกระทำของเราเนี่ยเป็นตัวลิขิตชีวิตตัว เ, เองเพรา ะ, ะ น, นคนเราเลือกทางอื่นทางเดินก็ตัวเองได้แต่เลือกแล้วเนี่ยถ้าเลือกผิดเราไปสุดไปเสียผลของความผิดไม่ได้ ถ้าก็เลือกถูกเราก็ควรยันโมทนาชื่นสุมในความเนตรทีนชีวิตของเขาท่านฟังทลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีวัะทุมในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง่องามไพยบูรในธรรมยังมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี